บุคคลสีจําพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลกบุคคลสีจําพวกไหนบ้างคือหนึ่งบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มักฆสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดเท็จผู้ส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจอ้อเป็นผู้เพ่งเลงอยากได้สิ่งของของเขาเป็นผู้มีจิตพยาบาทเป็นมิจฉาทิฐิในโลกนี้ หลังจากตายแล้วเขาจึงไปเกิดในอบายทุคติวินิบาตนรก 2. บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มักฆสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคําหยาบพูดเพ้อเจอ้อเป็นผู้เพ่งเลง็งอยากได้สิ่งของของเขาเป็นผู้มีจิตพยาบาทเป็นมิจฉาทิฐิในโลกนี้หลังจากตายแล้วเขาจึงไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ 3. บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้เว้นขาจากการฆ่าสัตว์เว้นข่าจากการลักทรัพย์เว้นข่าจากการประพฤติผิดในกามเว้นข่าจากการพูดเท็จเว้นข่าจากการพูดส่อเสียดเว้นข่าจากการพูดคำหยาบเว้นข่าจากการพูดเพ้อเจ้อเป็นผู้ไม่เพ่งเลงอยากได้สิ่งของของเขาเป็นผู้มีจิตไม่พยาบาทเป็นสัมมาทิฏฐิในโลกนี้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 เป็นผู้มีจิตไม่พยาบาทเป็นสัมมาทิชิตในโลกนี้หลังจากตายแล้วเขาจึงไปเกิดในอบายทุกติวินิบาทนารกอานนท์หนึ่งสมณะหรือพรามบางคนในโลกนี้ อาศัยความเพียรเครื่องเผากิเลสความเพียรยิ่งความพยายามความไม่ประมาทความใส่ใจโดยชอบย่อมบรรลุเจโตสมาธิโดยประการที่เมื่อจิตตั้งมั่นแล้วย่อมเห็นบุคคลโน้นผู้มักฆสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกรรมผู้เท็จผู้สเสียดผู้คำหยาบพูดเพ้อเจอเพ่งเลงอยากได้สิ่งของของเขามีจิตพยาบาท เป็นมิจฉาทิฐิในโลกนี้หลังจากตายแล้วได้ไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตนารกด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์สมณะหรือพรามนั้นจึงกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญได้ยินว่ากรรมชั่วมีวิบาของทุจริตมีเขาพเจ้าได้เห็นบุคคลโน้นผู้มัก่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามละถึงเป็นมิจฉาทิฐิในโลกนี้ หลังจากตายแล้วได้ไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตนรกแล้วกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญได้ยินว่าบุคคลใดมักฆสัตว์ลักทรัพย์ละถึงเป็นมิจฉาทิฐิบุคคลนั้นทั้งหมดหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตนรกชนเหล่าใดรู้อย่างนี้ชนเหล่านั้นชื่อว่ารู้ชอบ ชนเหล่าใดรู้นอกเหนือไปชนเหล่านั้นชื่อว่ารู้ผิดสมณะหรือพรามนั้นจะพูดปักใจลงไปถึงเรื่องที่เขารู้เองเห็นเองทราบเองตามแรงจูงใจตามความปักใจในเรื่องนั้นดังนี้ว่านี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริง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 ตามแรงจูงใจตามความปักใจในเรื่องนั้นดังนี้ว่านี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริง 3. สมณะหรือพรามบางคนในโลกนี้อาศัยความเพียรเครื่องเผากิเลสความเพียรยิ่ง ความพยายามความไม่ประมาทความใส่ใจโดยชอบย่อมบรรลุเจโตสมาธิ i, โดยประการที่เมื่อจิตตั้งมั่นแล้วย่อมเห็นบุคคลโน้นผูเนาาา้เว้นขาจากการฆ่าสัตว์เว้นขาจาการรการลักทรัพย์เว้นขาจากการประพฤติผิดในการมเว้นข่าจากการพูดเท็จเว้นข่าจากการพูดส่อเสียดเว้นขาจากการพูดคําหยาบเว้นขาจากาาาจาการพูดเพ้อเจ้อ ไม่เพ่งเลงอยากได้สิ่งของของเขามีจิตไม่พยาบาทเป็นสัมมาทิฐิในโลกนี้หลังจากตายแล้วได้ไปเกิดในสุขติโลกสวรรค์ด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์สมณะหรือพรามนั้นจึงกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญได้ยินว่ากรรมดีมีจริงวิบาของสุจริตมีจริงขาพเจ้าได้เห็นบุคคลโน้นผู้เว้นข่าจากการฆ่าสัตว์ เว้นขาจากการลักทรัพย์และถึงเป็นสัมมาทิฏฐิในโลกนี้หลังจากตายแล้วได้ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์แล้วกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญได้ยินว่าบุคคลใดเว้นขาจากการฆ่าสัตว์เว้นขาจากการลักทรัพย์และถึงเป็นสัมมาทิฏฐิบุคคลนั้นทั้งหมดหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ชนเหล่าใดรู้อย่างนี้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 อ น, นุนหนึ่งบรรดาสมณะหรือพรามสี่จำพวกนั้นเราคล้อยตามวาทะของสมณะหรือพรามผู้กล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญได้ยินว่ากรรมชั่วมีวิบากของทุจริตมีเราคล้อยตามแม้วาทะของเขาผู้กล่าวอย่างนี้ว่าข้าพเจ้าได้เห็นบุคคลโน้นผู้มักฆาสัตว์ลักทรัพย์ละถึงเป็นมิจฉาทิฐิในโลกนี้ หลังจากตายแล้วได้ไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตนรกแต่เราไม่คล้อยตามวาทะของเขาผู้กล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญได้ยินว่าบุคคลใดเป็นผู้ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ละถึงเป็นมิจฉาทิฐิบุคคลนั้นทั้งหมดหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตนรกเราไม่คล้อยตามแม่วาทะของเขาผู้กล่าวอย่างนี้ว่า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 เพราะตะถาคตมีความรู้ในมหากรรมมวิพังเป็นอย่างอื่น 2. บรรดาสมณะหรือพรามสี่จำพวกนั้นเราไม่คล้อยตามวาทะของสมณะหรือพรามผู้กล่าวอย่างนี้ว่า ท่านผู้เจริญได้ยินว่ากรมชั่วไม่มีวิบากของทุจริตไม่มีเราคล้อยตามวาทะของเขาผู้กล่าวอย่างนี้ว่าข้าพเจ้าได้เห็นบุคคลโน้นผู้มักฆสัตว์ลักทรัพย์ละถึงเป็นมิจฉาทิฐิในโลกนี้หลังจากตายแล้วได้ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์แต่เราไม่คล้อยตามวาทะของเขาผู้กล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญได้ยินว่า บุคคลใดมักฆสัตว์ลักทรัพย์ละถึงเป็นมิจฉาทิฏฐิบุคคลนั้นทั้งหมดหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์เราไม่คล้อยตา ม, ม้วาทาของเขาผู้กล่าวอย่างนี้ว่าชนเหล่าใดรู้อย่างนี้บุคคลเหล่านั้นชื่อว่ารู้ชอบชนเหล่าใดรู้นอกเหนือไปชนเหล่านั้นชื่อว่ารู้ผิด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 3. บรรดาสมณะหรือพรามทั้งสี่จำพวกนั้นเราคล้อยตามวาทะของสมณะหรือพรามผู้กล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญได้ยินว่ากรรมดีมีวิบากของสุจริตมีเราคล้อยตามวาทะของเขาผู้กล่าวอย่างนี้ว่าเขาพเจ้าได้เห็นบุคคลโน้นผู้เว้นข่าจากการฆ่าสัตว์เว้นข่าจากการลักทรัพย์และถึงเป็นสัมมาทิฐิในโลกนี้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 มีความรู้ในมหากรรมวิพังเป็นอย่างอื่น 4. บรรดาสมณะหรือพรามทั้งสีจำพวกนั้นเราไม่คล้อยตามวาทะของสมณะหรือพรามผู้กล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญได้ยินว่า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 ได้ยินว่าบุคคลใดเว้นขาดจากการฆ่าสัตว์เว้นขาจากการลักทรัพย์ละถึงเป็นสัมมาทิฐิบุคคลนั้นทั้งหมดหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุคติวินิบาตนรกเราไม่คล้อยตามแม่วาทะของเขาผู้กล่าวอย่างนี้ว่าชนเหล่าใดรู้อย่างนี้ชนเหล่านั้นชื่อว่ารู้ชอบชนเหล่าใดรู้นอกเหนือไป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 หนึบรรดาบุคคลสี่จำพวกนั้นบุคคลใดเป็นผู้มักฆาสัตว์ลักทรัพย์ละถึงเป็นมิจฉาทิฐิในโลกนี้หลังจากตายแล้วจึงไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตนรกบุคคลนั้นหลังจากตายแล้วไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตนรกเพราะบาปกรรมที่เขาทําไว้ในชาติก่อนให้ผลเป็นทุกข์ บาปกรรมที่เขาทำไว้ในภายหลังให้ผลเป็นทุกข์หรือในเวลาจะตายเขามีมิจฉาทิฏฐิที่ให้บริบูรณ์ยึดมั่นไว้แต่การที่บุคคลเป็นผู้มักาสัตว์ลักทรัพย์ละถึงเป็นมิจฉาทิฏฐิในโลกนี้เขาย่อมเสวยวิบากแห่งกรรมนั้นในชาตินี้บ้างในชาติหน้าบ้างในชาติต่อต่อไปบ้าง 2. บรรดาบุคคลสีจำพวกนั้น บุคคลใดเป็นผู้มักฆสัตว์ลักทรัพย์ละถึงเป็นมิจฉาทิฏฐิในโลกนี้หลังจากตายแล้วจึงไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์บุคคลนั้นหลังจากตายแล้วไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์เพราะกรรมดีที่เขาทำไว้ในชาติก่อนให้ผลเป็นสุขกรรมดีที่เขาทำไว้ในภายหลังให้ผลเป็นสุขหรือในเวลาจะตายเขามีสัมมาทิฏฐิที่ให้บริบูรณ์ยึดมั่นไว้ แต่การที่บุคคลเป็นผู้มักาสัตว์ลักทรัพย์ละถึงเป็นมิจฉาทิฏฐิในโลกนี้เขาย่อมสวยวิบากแห่งกรรมนั้นในชาตินี้บ้างในชาติหน้าบ้างในชาติต่ อ, ต, อต่อไปบ้าง 3. บรรดาบุคคลสี่จำพวกนั้นบุคคลใดเป็นผู้เว้นขาจากการฆ่าสัตว์เว้นขาจากการลักทรัพย์ละถึงเป็นสัมมาทิฏฐิในโลกนี้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 เป็นสัมมาทิฐิในโลกนี้เขาสวยวิบากแห่งกรรมนั้นในชาตินี้บ้างในชาติหน้าบ้างในชาติต่อต่อไปบ้าง 4. บรรดาบุคคลสีจ่จำพวกนั้นบุคคลใดเป็นผู้เว้นขาจากการฆ่าสัตว์เว้นขาจากการลักทรัพย์ละถึงเป็นสัมมาทิฐิในโลกนี้หลังจากตายแล้วจึงไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตนรก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 เขาย่อมสวยวิบากแห่งกรรมนั้นในชาตินี้บ้างในชาติหน้าบ้างในชาติต่อต่อไปบ้างอานน์กรรมที่ไม่ควรส่องให้เห็นว่าไม่ควรก็มีอยู่กรรมที่ไม่ควรท่องให้เห็นว่าควรก็มีอยู่กรรมที่ควรส่องให้เห็นว่าควรก็มีอยู่และกรรมที่ควรท่องให้เห็นว่าไม่ควรก็มีอยู่ดังพนานามาชนนี้ พระผู้มีพระภาคได้ตรัสพาสิทธินี้แล้วท่านพระอานนท์มีใจยินดีชื่นชมพระภาสิทธิของพระผู้มีพระภาคดังนี้แลมหากรัรมมวิพังคสูตรที่หจบ 7. สลายตนะวิพังคสูตรว่าด้วยการจำแนกอายตนะหกประการเราพระเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบินิกะเศรษฐีเขครุงสาวัตถีณนะที่นั้นแหลพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรื่องพิษุทั้งหลายมาตรัสว่าพิษุทั้งหลาย ภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดารัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงสลายตาณวิพังแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังสลายตนณวิพังนั้นจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดารัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าเธอทั้งหลายพึงทราบอายตนะภายในหก มัยตนะภายนอกหหมวดวิญญาณหหมวดภัษะหมโนปวิจารณ์สิบแตบท36ในธรรมเหล่านั้นเธอทั้งหลายอาศัยธรรมนี้แล้วจงละธรรมนี้เสียและพึงทราบสติปฐานสที่พระอริยะเสพซึ่งเมื่อเสพอยู่ชื่อว่าเป็นาศาสดาควรเพื่อสั่งสอนคณะพระอริยะาศาสดานั้นอันเราเรียกว่า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 อายตนะคือใจคำที่เรากล่าวไว้ว่าพึงทราบอายตนะภายใน6นั่นเพราะอาศัยเหตุนี้เราจึงกล่าวไว้เรากล่าวคำนี้ไว้ว่าพึงทราบอายตนะภายนอกหกเพราะอาศัยเหตุอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นคือ หรูปายตนะอายตนะคือรูป 2. สัตทายตนะอายตนะคือเสียง 3. คันทายตนะอายตนะคือกลิ่น 4. รสายตนะอายตนะคือรส 5. ้าโพัพายตนะอายตนะคือสัมผัส 6. ธรรมายตนะอายตนะคือธรรมารมณ์คำที่เรากล่าวไว้ว่า พึงทราบอายตนะภายนอก6นั่นเพราะอาศัยเหตุนี้เราจึงกล่าวไว้เรากล่าวคํานี้ไว้ว่าพึงทราบหมวดวิญญาณ6เพราะอาศัยเหตุอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นคือ 1. จึกจขุวิญญาณ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 พึงทราบหมวดวิญญาณ6นั่นเพราะอาศัยเหตุนี้เราจึงกล่าวไว้เรากล่าวคำนี้ไว้ว่าพึงทราบหมวดภาษะ6เพราะอาศัยเหตุอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นคือ 1. จึกขุสัมผัสสัมผัสทางตา 2. โซตะสัมผัสสัมผัสทางหู 3. าคานะสัมผัสสัมผัสทางจมูก 4. ชิวหาสัมผัสสัมผัสทางลิ้น 5. กายสัมผัสสัมผัสทางกาย 6. มโนสัมผัสสัมผัสทางใจคำที่เรากล่าวไว้ว่าพึงทราบหมวดผัสสะหกนั่นเพราะอาศัยเหตุนี้เราจึงกล่าวไว้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 ถูกต้องโพธพะทางกายแล้วรู้แจ้งธรรมรมทางใจแล้วย่อมนึกน่วงธรรมรมอันเป็นที่ตั้งแห่งโสมนัสย่อมนึกน่วงธรรมรมอันเป็นที่ตั้งแห่งโทมนัสย่อมนึกน่วงธรรมรมอันเป็นที่ตั้งแห่งอุเบกขาไว้ความนึกน่วงฝ่ายโสมนัสหกฝ่ายโทมนัสหฝ่ายอุเบกขาหย่อมมีด้วยประการชนิคาที่เรากล่าวไว้ว่า พึงทราบมโนปวิจาริสินั่นเพราะอาศัยเหตุนี้เราจึงกล่าวไว้เรากล่าวคำนี้ไว้ว่าพึงทราบสัตบตบท36เพราะอาศัยเหตุอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นคือโสมนัสอาศัยเรือน6 สมนัตอาศัยเนคข ม, มะ6โทมนัตอาศัยเรือน6โทมนัตอาศัยเนคข ม, มะหอุเบกขาอาศัยเรือน6อุเบกขาอาศัยเนคข ม, มะ6ในสัตตบท36นั้นสมมนัติอาศัยเรือน6ประการอะไรบ้างคือ 1. โสมนัติย่อมเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้พิจารณาเห็นการได้เฉพาะซึ่งรูป ที่พึงรู้แจ้งทางตาที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจชวนให้รักประกอบด้วยโลกามิตรโดยเป็นของอันตนได้เฉพาะหรือหวนระลึกถึงรูปที่ตนเคยได้มาก่อนอันล่วงลับดับแปรผันไปแล้วสมมนัสเช่นนี้เราเรียกว่าสมมนัสอาศัยเรือนสองสมมนัสย่อมเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้พิจารณาเห็นการได้เฉพาะซึ่งเสียง ที่พึงรู้แจ้งทางหู 3. โ addict, <catalyst S 1> สมนัสย่อมเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้เห็นการได้เฉพาะซึ่งกลิ่นที่พึงรู้แจ้งทางจมูก 4. โสมนัสย่อมเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้พิจารณาเห็นการได้เฉพาะซึ่งรสที่พึงรู้แจ้งทางลิ้น 5. โสมนัสย่อมเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้พิจารณาเห็นการได้เฉพาะซึ่งโผฏฐัพพะที่พึงรู้แจ้งทางกาย 6. สมนัสย่อมเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้พิจารณาเห็นการได้เฉพาะซึ่งธรรมารมที่พึงรู้แจ้งทางใจที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจชวนให้รักประกอบด้วยโลกามิตรโดยเป็นของอันตนได้เฉพาะหรือหวนระลึกถึงธรรมารมที่ตนเคยได้มาก่อนอันล่วงลับดับแปรผันไปแล้วสมนัตเช่นนี้เราเรียกว่าสมนัตอาศัยเรือน โสมนัสอาศัยเรือน6ประการนี้ในสัตตบท36นั้นโสมนัสอาศัยเนคข ม, มะ6ประการอะไรบ้างคือ 1. โสมนัสย่อมเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้ทราบความที่รูปทั้งหลายนั่นแหลไม่เที่ยง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 โ ส, ly, โสมนัสย่อมเกิดขึ้น enfin, แก่บุคคลผู้ทราบความที่กลิ่นทั้งหลายนั่นแล 4. โสมนัสย่อมเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้ทราบความที่รสทั้งหลายนั่นแล 5. โสมนัสย่อมเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้ทราบความที่โภัพะทั้งหลายนั่นแล 6. โสมนัสย่อมเกิดข hmm? ึ้นแก่บุคคลผู้ทราบความที่ธรรมรมทั้งหลายนั่นแลไม่เที่ยงเห็นความแปรผัน ความคลายกำหนัดและความดับนั่นตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบอย่างนี้ธรรมารมในการก่อนและในบัดนี้ทั้งหมดนั้นล้วนไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรผันเป็นธรรมดาสมนัตเช่นนี้เราเรียกว่าสมนัตอาศัยเนคขมะสมนัสอาศัยเนคขมะ6ประการ น, นี้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 แปรผันไปแล้วโทมนต์เช่นนี้เราเรียกว่าโทมนต์อาศัยเรือน 2. โทมนั์ย่อมเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้เห็นความไม่ได้เฉพาะซึ่งเสียงที่พึงรู้แจ้งทางหู 3. โทมนั์ย่อมเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้เห็นความไม่ได้เฉพาะซึ่งกลิ่นที่พึงรู้แจ้งทางจมูก 4. โทมนัสย่อมเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้เห็นความไม่ได้เฉพาะซึ่งรสที่พึงรู้แจ้งทางลิ้น 5. โทมนัสย่อมเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้เห็นความไม่ได้เฉพาะซึ่งโผฏฐะพะที่พึงรู้แจ้งทางกาย 6. โทมนัสย่อมเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้เห็นความไม่ได้เฉพาะซึ่งธรรมารมณ์ที่พึงรู้แจ้งทางใจที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจชวนให้รัก ประกอบด้วยโลกามิตรโดยความเป็นของอันตนไม่ได้เฉพาะหรือหวนระลึกถึงธรรมารมที่ตนไม่เคยได้มาก่อนอันล่วงลับดับแปรผันไปแล้วโทมนัสเช่นนี้เราเรียกว่าโทมนัสอาศัยเรือนโทมนัสอาศัยเรือนหกประการนี้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 แล้วตั้งความปรารถนาในอนุตตรวิโมก์ว่าในการไรเราจะ บ, บรรลุอายตนะที่พระอริยะทั้งหลายได้บรรลุอยู่ในบัดนี้เพราะความปรารถนาเป็นปัจจัยโทมนตสจึงเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้ตั้งความปรารถนาในอนุตตรวิโมกด้วยประการชนี้โทมนตสเช่นนี้เราเรียกว่าโทมานต์อาศัยเนคขมะ 2. โทมนัสย่อมเกิดขึ้นแกบุคคลผู้ทราบความที่เสียงทั้งหลายนั่นแล 3. โทมนัสย่อมเกิดขึ้นแกบุคคลผู้ทราบความที่กลิ่นทั้งหลายนั่นแล 4. โทมนัสย่อมเกิดขึ้นแกบุคคลผู้ทราบความที่รสทั้งหลายนั่นแล 5. โทมนัสย่อมเกิดขึ้นแกบุคคลผู้ทราบความที่โผฏฐัพพะทั้งหลายนั่นแล 6.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 ในการไรเราจะบรรลุอายตนะที่พระอริยะทั้งหลายได้บรรลุอยู่ในบัดนี้เพราะความปรารถนาเป็นปัจจัยโทมนตสจึงเกิดขึ้นแก่เขาผู้ตั้งความปรารถนาในอนุตตรวิโมกด้วยประการฉนี้โทมนตสเช่นนี้เราเรียกว่าโทมนตสอาศัยเนคขมะโทมานตสอาศัยเนคขมะ6ประการนี้ ในสัตตบทสามสิบหกนั้นอุเบกขาอาศัยเรือนหกประการอะไรบ้างคือหนึ่งเพราะเห็นรูปทางตาอุเบกขาจึงเกิดขึ้นแก่ปุตุชนผู้โง่เขลางมงายผู้ยังไม่ชนะกิเลสยังไม่ชนะวิบากผู้ไม่เห็นโทษไม่ได้สดับเป็นคนกิเลสนาะอุเบกขาเช่นนี้ยังล่วงพ้นรูปไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจึงเรียกอุเบกขานั้นว่า อุเบกขาอาศัยเรือน 2. เพราะฟังเสียงทางหู 3. เพราะดมกลิ่นทางจมูก 4. เพราะลิ้มรสทางลิ้น 5. เพราะถูกต้องโพธพภะทางกาย 6. เพราะรู้แจ้งธรรมอารมณ์ทางใจอุเบกขาจึงเกิดขึ้นแก่ผุ้ทุชนผู้โง่เขลางมงายผู้ยังไม่ชนะกิเลสยังไม่ชนะวิบากผู้ไม่เห็นโทษไม่ได้สดับ เป็นคนกิเลสนาะอุเบกขาเช่นนั้นยังล่วงพ้นธรรมารมไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจึงเรียก อ, อุเบกขานั้นว่าอุเบกขาอาศัยเรือนอุเบกขาอาศัยเรือนหประการนี้